เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสเสเนียจันไร่จะต้องไม่มีเทรวาจะลงรักษาสร็กจะมาบ้านก่อเทศการนี้เป็นเทศกา ร, เ ท, การเทเล่าเผาบุหลี <c oughs> ซึ่งลูปพระราช เากำลังสนุกสนานบุมบันเทิงังนใหญ่ทีเดียวเนี่ยที่เป็นลูกในไส้นะไม่ใช่ลูกเลี้ยง ล, ลูกนนบุญนำกำตอนนี้กลับไปสำรวจตัวเองและบ้านของตัวตั้งแต่เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นนักเรียนอุนุบาลฝันในฝันวิทยานัน่งธรรมะทุกวันแต่ว่าแถวห้องรับแขกของเราเดินผ่านไปเนี่ย มันมีขวดส่วยๆเงำ ม, งมก็ไม่ได้ไปทำอะไรกันน้ำในขวดนั่นแหละมีคนก็เอามาให้ก็รับเอาไว้ไม่ให้เสียกำลังใจแต่จะเอาไปทำอย่างอื่นก็นเสียดายขวดมันสวย <c oughs> แต่ตอนนี้เกิดเ้า <c oughs> เรียกอะไรกันดีละ่ะ <c oughs> มหากรรมเทเ่ยล่าพระบุรีกันใหญ่ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยเลุยกันสบันหันแหลแกเลยมีเหล้ามีบุหรี่แล้วก็มาลุยกันเลาะทั้งสองอย่างนะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยสุรามหาโทษครับแต่ก่อนเ็เรียกสุรามหาอะไรกันไปลูกรับสุรามหาโทษรับมันมีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีคุณอะไรนอกจากเป็นกระสายยา ไ น, นิดหน่อยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านอนุญาตไปนำยาไปรักษาโรคได้เขาเรียกว่ากระสายยาแต่พระเจ้าเอายากระสายเหล้าครับ <c oughs> ทั้งเหล้าก็ดีบุหรี่ก็ดีล้วนแต่ทำลายสุขภาพซึ่งร่างกายมนุษย์จะมีช่วงแห่งความแข็งแรงเนี่ยมันจำกัดเอาไว้สำหรับในการสร้างบารมี ในความรู้สึกความดีงามเข้าไปไว้ในตัวเพราะกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้น่ะมันยากยากมากหมายถึงตัวเรานะ่ยากแต่ไม่ใจะเห็นก็เกิดกันโ ค, โคลนๆที่โรงพยาบาลที่ไหนนครเนว่ยทาไมเขาเกิดกันง่ายมันคนง่ายกันไปเลยไปทําแท้งต้ก็มีอย่างนี้นี่ยก็ยังยากอยู่ดีที่เราเห็นว่ามันเกิดได้ ง่ายอย่างนั้นตามโรงพยาบาลที่ไหนจริงๆแล้วอยากทุกๆชีวิตก่อนจะมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะไปอยู่ในภพของอบายหรือสุคติก็ตามกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากยิ่งจะไปในอบายแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยในมหานาโลกยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นกลับเป็นมหากรับกันเลยเนะี่ย บางคนกระท่อนรกหลายขุมเงินจากคุมนี่ไปคุมนู่นเพราะว่าทําต่างกรรมต่างวาระกันเยอะแยะจากมหานรกรรมอุสรนรกมายมมาโลบมาเป็นเปรตเป็นราศรกายเป็นสตัตว์ทะเลช้าและถึงจะมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายมันยากมากเลยและจากชาสวรรค์ก็จะลงมาเกิดก็โอ้โห อยู่กันเพลินเลยเนีก่จะลงมากายาการเป็นมนุษย์นี่ยากไม่ใช่ง่ายวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทำพระนิพพานให้แจ้งครับจะรู้แล้วไม่รู้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์หลักคือทําพระนิพพานให้แจ้งพระ ส, มรสมัมมาสัมพุทธเจ้า่าจตรัสเอาไว้อย่างนี้นี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติ แต่ถ้าหากบารมียังอ่อนอยู่ก็ต้องสร้างเกิดมาสร้างบารมีมาเติมมุญเติมบารมีเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้มันเยอะๆนี่เป็นวัตถุประสงค์ร่างกายที่แข็งแรงทนานั้นแหละจึองจะสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังตารางอายอ่อนแอหรือมันเสื่อมลงไปเนี่ยสร้างยากปกติมันก็เสื่อมมันไปอยู่แล้วมีแก่มีเจ็บ เพราะเป็นรังแห่งโลกเป็นรังแห่งเชื้อโลกเลยในตัวเป็นได้ตั้งแต่เส้นผมถึงพื้นท่าคือทั้งเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่เส้นขนหนังกาพร้าไหลเลื่อยกันไปถึงยื่นในกระดูกนูน่นอวัยว ะ, วะน้อยใหญ่เป็นได้หมดทุกคนทุกแห่งในร่างกาย <Okay. S 2> ปกติมันก็เสื่อมอย่างนี้อยู่แล้ว พอถึงวัยชาราเนี่ยจะสร้างบารมีกำลำบ้ากลำบากโดยเฉพาะการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนานั่งไปเดียวเดียวมันก็พลอยแล้วหลับแล้วยิ่งมาทำให้เสื่อมด้วยสุาลาหรือบุรีได้วควันก็นดีได้น้ำก็ดีน้ำอุบาทข้ามชาติ มันยิงไปกันใหญ่เลยโทษในปัจจุบันนี่ก็เยอะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในสิงขารกรสูตรสิงขารกรสูตรหข้อนอกสิงขารกรสูตรอีกสั้งเยอะแยะซึ่งเราก็ได้ฟังได้ดูกันไปทุกวันในโรงเรียนยวันนี้ก็จะมีอีกนี่โทษ ในปัจจุบันที่ตามนุษย์เห็นได้แต่โทษในอวัยภูมิที่ตามนุษย์ไม่เห็นแล้วมันค่อยจะเชื่อเนี่ยโอ้โหมันทรมานมากโทษในอบายกับในสังสารวัตรอ่านเลยกนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องสุรารเพราะฉะนั้นใครที่ขจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากบ้านได้ สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ก็จะออกหมดไปเลยสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ก็มาสเสน่ห์ไปสเสน่หมาเหลือสิ่งที่ดีๆก็จะไหลมาเทมารเราเห็นตัวอย่างกันเทเล่าผารุรีก็หลายหลา ย, หลายเลยใช่ไมจ๊ะหลายหลายไหมหลายครับวันนี้หนักเข้าไปอีกอเพราะว่าเขามีอาชีพ ข, ขายโอท้ทั้งบรีทั้งสุราเลยเถอะอ เป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ซะด้วยมีอารมณ์ร่วมขึ้นเห็นโทษเห็นภัอเลิกขายมันซะเลยหนักข้าไปอีกซึ่งเดี๋ยวมีรายละเอียดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวจ้าอันนี้ไม่ได้เทไม่ได้เผาเลิกเลยลูกเพียรใจรอดจนะิิวิไลลูก ภรรคนักเรียนรับบาลฝันในฝันวิทยาและครอบครัวติดตามรายการฝันในฝันของคุณครูไม่ใหญ่ทุกวันค่ ะ, ะตั้งแต่ฟังทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้พัฒนาติดดาวเทียมแล้วค่ะเขาไม่สามารถรับฟังเสียง เเห็นภาพรอยยิ้มที่สดชื่นของคุณครูไม่ใหญ่ได้อย่างชัดเจนที่ห้างสรรพสินค้าเทวีกิจคอมเพล็กซ์จังหวัดสระบุรีได้เปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเสียงทุกวันมีทั้งสมาชิกที่มานั่งฟังรวมกันแล้วก็ถ่ายทอดทางสายโทรศัพท์ไปที่บ้านสิบสายสากำลังจะขายายเพิ่มค่ะ ส่วนที่ห้างสาขาบุรีรัมเพิ่งจะติดดาวเทียมและเริ่มถ่ายทอดเสียงตามสายโทรศัพท์ว่าวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ<อ>ช่วงเวลาที่เข้าออเรียนในแต่ละวันถือเป็นเวลาแห่งความสุขของลูกพราะรหัสทุกคนเป็นเวลาสบายๆที่ได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้ฟัง ได้รู้เรื่องราวของชีวิตที่ควรจะรู้แล้วก็ยังไม่รู้ผ่านคำ ง, ง่ายฟังสบา ย, บายะวิธีการสอนคนคุญ ค, ค, ครูไม่ใหญ่ที่ดูเหมือนอ ง, ง่ายๆสบายๆแต่ยอดเยี่ยมเขียนมาอีกนะลุกนะทำให้การเรียนอนุบาลทุกวันสนุกหนะ้าติดตามค จนนักเรียนบางคนต้องเอ่ยปากว่าทำไมเวลาหมดเร็วจังนะโอ้โหมันก็ไม่เร็วนะลุงนะโดยเฉพาะในช่วงนี้ยังมีผู้กล่าที่ดูแล้วทำให้เกิดกำลังใจมากๆโอ้โหผู้กล้ามาวานนี่นะลูกโยกฟ้าเนี่ยเพิ่ง้าวัดเดินเสร็จลุยเลยกวาดล้างออกจากบ้านหมดทุกยี่ห้อ กล้าหารชาญชัยจริงเลยเพราะครอบครัวลูกทำธุรกิจค้าปลีทั้งห้างสรรพสินค้าและสาขา ย, ย่อยโดยเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีสินค้าหลากหลายชนิดรวมถึงเหล้าเบียร์อย่างที่ทุกแห่งมีต่อมาเมื่อพี่ชายและพี่สะายได้เข้าวัดได้ฟังคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ ถ้าห้เข้าใจเรื่องบุญแล้วก็การตัดสินใจเลิกขายเหล้าเบียในต้นเดือนพฤศจิกายน2545สาธุโอ้โหนี่เขาเลิกมานานแล้วนะเนี่ยครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยนั่นแหละครับอือหือพี่สภัายได้รล่ายฟังว่าได้เช็คยอดขายดูเป็นยอดเหล้าเบียประมาณ เดือนละสองถึงสแสนบาทถอ้ท่ามกลางเสียงทักท้วงของลูกน้องที่เกรงว่าจะเสียลูกค้าไปเพราะสินค้าไม่ครบท้วนแต่พี่ชายและพี่สะายก็ยังยืนยันว่าเลิกแล้วก็เชื่อมั่นว่าเลิกแล้วต้องดีครับรอมนังสั่งติดป้ายขนาดใหญ่<อ>เป็นการชู จ, จุดเด่นของห้างให้ลูกค้าได้ทราบว่าทวีกิจ ไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรี่เดี๋ยวดูประโยคต่อไปนี่หน้าปิดทองจริงๆหรือเอาหลอดด้วยอักษรทองคำคเพราะเราห่วงใยคุณและทุกคนในครอบครัวอนี่ต้องอ่านอีกครั้งหนึ่งทวีกิจ ไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรีเพราะเราห่วงใยคุณและทุกคนในครอบครัว mm hmm. ช่วงแรกๆ ก, ก็มีลูกค้าบางรายบ่นว่าเป็นห้างได้ยังไงแต่ไม่มีเหล้าและเบียร์ <c oughs> บางรายก็แกลงประชดประชันว่าจะแจ้งเรื่องไงของถึงไม่ครบ <c oughs> แต่ผลก็คือเมื่อเลิกขายเหล้าเบียร์แล้ว ยอดขายในแผนกซูเปอร์รมาร์เก็ตแทนที่จะลดลงกลับเพิ่มขึ้นโดยบางเดือนเพิ่มขึ้นถึง 20% ปอ oh. ร์เซเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนๆส่วนหน้าทวิกิจที่บุรีรัมคุณพ่อของลูกยังไม่ยอมเลิกขายดูลูกก็ได้แต่ทำใจเจ้าอกระทั่งวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบ วันคล้ายวันเกิดครบ87ปีของอมมาม่าลูกๆยังได้ขอให้คุณพ่อเลิกขายเหล้าเบียร์่อเป็นของขวัญวันเกิดอมมาม่าพร้อมเล่าตัวอย่างคุณหวังลูกพระราชฎร์ให้คุณพ่อฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งไปเพอวันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็ตอบตกลงว่าจะเลิกขายโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสาธุอนุมโมทนาสาธุการทีท่เยือ ในวันพระหัสปดีที่หมิถุนายนสี่หเป็นวันดีที่ลงมือเก็บเล่าเบียร์และปิดแผกสุราที่ห้างทวิกิตรปลาซาจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วค่ะ<ม><ม>เลิกแล้วค่ะชิตังเมย์ลูกๆทุกคนดีใจที่ห้างของเราจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบร้านค้าที่เลิกขายเหล้าเบียร์แล้วยิ่งขายดีทับทวีค่ะอื ทวีกิจรวยทับทวีแล้วมาดูสิหน้าตาของทวีกิจเป็นยังไงอโอ้โหอ่านดูข้างบนซูมขยายโอ้อโอไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิจ้ะทวีกิจไม่ขายเหล้าเบียร์บุรุ่เพระเรา และคนในครอบครัวสุดยอดจริงๆเลยอ้าวเรามาดูหน้าตาผู้มีบุญอมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติครับข้างหลังป้ายก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคุณอรพันธ์โรจนะศิลวิไล เบิกบานายิ้มรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นหลังเลิกขายเหล้าเบียร์ในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างคุณอรพนธณรอดนะสินวิไลสาธุสาธุสาธุาาแล้วคงจําได้นะที่ขึ้นไปพูดในรายการสู้ต่อไปไงครับที่ทําให้ทั้งโลกนี่ลุกเป็นไฟเลยด้วย <c oughs> ความกระตือรือร้นอยากจะสร้างบา ร, รมีกันนี่แหล <c oughs> ะมาที่ ด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้าสวิกกตคอมเพล็กซ์สระ บ, บุรีนี่นี่นะ oh. จ้ะการที่ห้างใหญ่ๆเนี่ยจะกล้าติดโปสเตอร์รอย่างนี้นยะไม่ง่ายลยจ้ะแต่นี่กล้าหาอาจารย์ชัยมีความรักและห่วงใยทุกๆคนในครอบครัวของเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงและจึงกล้าขึ้น นี่นี่แหละคือผู้กล้าของกองทัพธรรมเป็นวีรบุรุษวีรสตีของโลกที่แท้จริงเป็นบุคคลสําคัญของโลกโลกนี่ไม่อาจจะขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูได้เหมือนเราก็ไม่อาจจะขาดลมหายใจได้เนี่ยแหละห ย, ยาพานะขาดเชื้อเพลิงก็ไม่อาจจะเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เราโลกต้องมีตัวอย่างดีๆให้ดูอย่างนี้แหละไม่สงวนลิขสิทธิ์ด้วยครับทีนี้เรามาดูเจ้าของห้างธวิกิจจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมเก็บสุราร อ, ยอย่างดีเนี่ยสุราที่ตั้งโชว์พร้อมขายโอ้โ ห, โหเยอะแยะเลยสุนทรผู้เรียกว่าน้ำนรกรรนี่หลายชนิดเลิกขายแล้วโอ้โหเป็นกโกดังเลยด้ว เ oh. ยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย oh. uh huh. เลิกได้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ oh. uh huh. สุดยอดที่นี่ต่งางๆที่วางขายเนี่ยนี uh ่น huh. oh. uh ี huh. ่เยอะแยะไปหมดนี่ห oh. oh. ลากหลายยี่ห้อโอ้โหเนี่ยดึงดูดใจไปอบายดีจังเลยเน oh. Oh. Uh huh. นี่เลิกแล้วจ้าเก็บออกหมดเลยแม่ขวสวยก็ไรค่าทุบทิ้งดีกว่าจะเสียดายราคาเนี่ยเลิกขายแล้วโอ้โหดูทำไมเยอะแยะขนาดนี้ตั้งถือกาหารยานใชมากเลยวันเกิดอามมมสา31พฤษภาคม ครบ87ปีวันที่ขอเลิกขายสุราเดี๋ยวดูรูปภาพรวมของครอบครัวผู้มีบุญบซึ่งเป็นวีรบุรุษวิรสตีของโลกที่แท้จริงนี่อเอ๋หลวงพ่อขออนโมธนาสาธุการขอให้ลูกทุกคนเลยที่อยู่ในภาพนี้ให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายให้ฝันได้ฝันกันเป็นให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินนะลูกนะ